เหมือนจะบดหัวใจให้เป็นแผลตอนที่สองมาเริ่มหน้า15วันนี้เราจะเริ่มที่เขาบอกเอาไว้ว่าแนวการแก้ความคับค้องใจหรือความอยากนะ ห, าห้าหหลักนะเขาบอกว่าหนึ่งคือความกลัว2ความกระสับกระส่ายกวนกระวายใจ 3. ความป่วยไข้ สสู้หหลบหนีนี่นนี่เป็นแนวทางแก้กความขับข้องใจของเขาทีนี้เรามาเริ่มตัวที่หนึ่งเลยนะตัวว่าความกลัวจะแก้อย่างไงเมื่อจิตไม่กล้าสู้ไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงมันก็ย่อมเกิดความกลัวเป็นธรรมดายังเป็นจิตอสุรกายอยู่คงเข้าใจคําว่าอสุรกายนะ อสุรกายเนี่ยหมายถึงอย่างเช่นบอกว่าโอ้โหคนนั้นเนี่ยอย่างกับอสุรกายเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงว่าจิตคนนั้นเน่เต็มไปด้วยความกลัวนะคาถ้าเร า, เ อ, าอย่างเช่นเปรตเนี่ยเปรตเราหมายถึงความโลภถ้าอสุรกายเราหมายถึงความกลัวถ้าเดรัจฉานเราหมายถึงความโง่ความพ า, า, านนะแล้วก็อะไรอีกแล้วก็นรก นรกนี่คื อ, อความเดือดร้อนใจนะความเร่าร้อนใจอ่างต่างนี่ให้เรารู้ความหมายถ้าเราไม่ไม่รู้ความหมายอย่างนี้เนี่ยบางทีพอใช้ภาษาที่เกี่ยวกับธรรมะออกมาเนี่ยเราก็เลยไม่รู้เลยว่าว่ามันหมายความว่าอย่างไรจนกระทั่งบางคนเลยกลายเป็นไปคิดเป็นตัวตนอสูรกายก็เป็นพวกอะไรอ่ะของฝรั่งเขาต้องเรียกว่ามอนสเตอร์ไ อ, อสัตว์ประหลาด ปีศาจอะไรอย่างงั้นเป็นคือไปคิดไปอย่างงั้นไปอสุรกายนะแต่จริงๆอสุรกายคือจิตที่มันคลาดกลัวนะไม่กล้าพวกนี้แหละ <S <S ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันจะเกิดมันก็ย่อมเกิดและถ้ามันจะดับมันก็ต้องดับไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้สำคัญอยู่ที่เราปัจจุบันกำลังทำกรรมอะไรอยู่กรรมปัจจุบันนั่นแหละ ตัวสาคัญที่สามารถผลักดันสิ่งที่จะเกิดให้แคล้วคลาดดึงดูดสิ่งที่ดับให้เกิดขึ้นมาอนตอนนี้เขากำลังจะพูดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะที่อะไรอะ่ะเป็นเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นสภาวะตอนนั้นเป็นจังหวะนั้นก็คือปัจจุบันธรรมนั่นเอง <c oughs> บางคนบางดี กลัวบ้างคลาดบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่แต่บางทีกลัวในอดีตกลัวในอนาคตเห็นไหมกลัวในอดีตเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมจริงๆมันมันไม่มีผลกับเดี๋ยวนี้ของเราแล้วแต่เมื่อเรามีอุปทานกับความกลัวในอดีตความกลัวในอดีตมาเล่นงานเราได้ในปัจจุบันถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าคนที่เอาอดีตมาเป็นปัจจุบันส่วนอีกคนหนึ่งสมมุติว่ากลัวอนาคต โอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้านี่จะมาตามทวงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครอ่ ะ, อะผู้ปกครองพ่อแม่จะมาเอาตัวกลับบ้านไม่ให้อยู่วัดงา <c oughs> นสมมุติสมมุติมม <c oughs> คือมันก็กลัวไปน่นไปนี่หรือใครกันอ้ออาวสมมุติใครแต่งงานแต่งการแล้วกลัวแฟนจะมาตามถึงวัดเดี๋ยวโอยวายเดี๋ยว ทำให้เสียชื่อเสียงวัดหมดน่ะกลัวบางคนก็กลัวไอ้ที่สมมุติสมมุติเนี่ยจริงๆมีนะที่ย่าจะมาสมมุติไปทั้งหมดเนี่ย <c oughs> <c oughs> นเพราะอันนี้ก็กลัวอนาคตทั้งทั้งที่บางทีมันยังไม่เกิดขึ้นคนที่กลัวอนาคตจนกระทั่งเอาอนาคตเนี่ยมาเป็นปัจจุบันคนนั้นเลยปัจจุบันก็เลยกลัวเพราะ หลายสิ่งหลายอย่างบางคนเนี่ยขาดทุนอยู่ล่ำไปเลยบางทีก็ขาดทุนอดีตบางทีก็ขาดทุนเนี่ยเอาอนาคตมาเป็นปัจจุบันก็ขาดทุนอีกพูดง่ายว่าขาดทุนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นแทนที่จะพอถึงเวลาแล้วค่อยกลัวนะยังไม่ขาดทุนใช่ไหมแต่นี่กลายไปไปเอาอดีตมากลัวบ้างเอาอนาคตมากลัวบ้างคนนี้ขาดทุนย่าแย่เลยนะย่อยยับ ถ้ามันจะแพ้จริงๆสมมุติเราจะต้องกลัวเรากลัวตอนที่มันเกิดเหตุขึ้นในปัจจุบันเอออย่างนี้ยังไม่ถือว่าขาดทุนเลนะเพราะว่ายังไงมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยต้องทุกต้องทรมานหรือว่าต้องขาดกลัวใช่ไหมแต่มันก็กลัวไปตามที่มันจะมีมันจะเป็นแต่ไม่ใช่เราไปกลัวล่วงหน้ามั่งหรือเอาอาดีตที่มันผ่านไปแล้วมากลัวมั่งถ้าอย่างนี้นี่ไม่คุ้มเลยนะ ไม่ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามปล่อยให้เป็นเรื่องของมันผลแห่งกรรมจะผลิโตออกมาช้าหรือเร็วตามชนิดของกรรมปัญหาอยู่ที่ว่าเจ้าของสวนปลูกผลไม้ชนิดไหนนะตอนนี้เขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเหมือนกับคนเราไม่ต้องไปดูหมอดูหรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นก็ได้หรือบางทีบางคนก็แพ้พยายาม บุเปย์อยากจะรู้เหลือเกินว่าอดีตชาติของเราเป็นยังไงโอ้โหพยายามจังเลยบางคนสังเกตไหมบางคนนี่เที่ยวชอบเที่ยวไปดูไอ้พวกวัตถุโบราณที่อะไรคือคืออยากจะรู้อดีตเหลือเกินนะงานจนกระทั่งบางทีเนี่ยละเลยหรือว่าลืมกรรมปัจจุบันที่เราเนี่ยควรจะมีแล้วก็ควรจะทำหรือว่าควรจะเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วพอเราทากรรมปัจจุบัน เอาไว้ดียังไงเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลายไปเป็นอดีตเองอะใช่ไหแล้วสิ่งที่เราสะสมดีปัจจุบันเนี่ยอดีตมันก็จะดีตามกรรมปัจจุบันที่เราทําแล้วเดี๋ยวไออนาคตเนี่ยมันก็มาตามกรรมปัจจุบันที่เราทําดีไว้นี่แหละเพราะว่ามันเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็เหมือนกันเนี่ยเขาถึงบอกว่าเจ้าของสวนปลูกผลไม้ชนิดไหนนะตะใครปลูกส้ม ผลที่ออกมาต้นส้มก็ต้องออกมาเป็นลูกส้มใช่ไหมถ้าปลูกมะม่วงผลที่ออกมาก็จะเป็นมะไฟ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> มันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นนะนะ <c oughs> มันก็ต้องออกมาเป็นมะม่วงอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าปล่อยตัวไปตามสายน้ําเหมือนปล่อยใจไปตามยถากรรมชีวิตมันก็สิ้นท่าเท่านั้นเองไร้สัก์ศรี เจอแต่สิ่งหน้าอนาจใจหมายถึงว่าถ้าใครเนี่ยปล่อยไปตามยถากรรมเลยไม่ได้สนใจเลยนะว่าปัจจุบันนี้มันจะเป็นยังไงนะควรจะทําดียังไงควรจะหมั่นลดน้ํำยังไงควรจะปลูกต้นไม้อะไรนี่ไม่สนใจเพราะนั้นพูด ง, ง่ายๆว่านามันก็รกก็สิหญ้ามันก็จะขึ้นนะซีซัวเลยอะไรอะไแต่ก็ขึ้นหมดเลยบอกว่าอ๋อต้องปลูกแบบฟูกรกกะ เราให้มันลกๆมันยุ่งๆมันก็ไม่ใช่นะเขาก็มีวิธีการมีอะไรอยู่บ้างเหมือนกันไม่อย่างนั้นแล้วบางทีพอมันขึ้นมาแทรกแซงกันไปหมดเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวผลหรือจะอะไรนี่มันก็ยากเหมือนกันก็ลำบากเหมือนกันจากเท่าที่เราผ่านมาเท่าที่เราทำอะที่เราทํานากันโดยมีอะไรต่ออะไรหวานมั่วกันไปหมดเลยอะจนกระทั่งบางทีเวลาเกี่ยวเวลาอะไรก็ยากลาบากเหมือนกัน บางคนกลัวตายอุตส่าห์ไปนอนในเรือแต่ก็หาพ้นแต่ก็แต่ก็หาพน้าพนไม่รถสิบพร้อเจ้ากรรมกระโดดข้ามราวสะพานถล่มเรือเสียยับเยินไม <c oughs> <c oughs> ่มีจริงหรือเปล่าเนี่ยมีจริงไหมมีจริงนี่นะรู้สึเกเคยจะยินข่าวอยู่นะ ข่าวลงหนังสือพิมพ์อ่ะใช่ไหมคคล้ายคคลานะอาจารู้มาสึกว่าจะเคยจะยินข่าวอยู่อ่าออแล้วก็ตกลงไปเลยใช่ไหมอมืเสร็จแล้วก็บางรายตายเพราะสแตมเพียงแต่เอาริ้นป้ายเกิดโดนขอบสแตมเฉือนนิดๆเลยติดเชื้อบาทยัก ก็ตายเน่าไปอ่าอันนี้กาลังพูดว่าคนเรามันถึงเวลาจะตายมันก็ตายะนะบางทีกลัวนูน่นกลัวนี่กลัวคนเขาจะมายิงกลัวคนเขาจะฆ่าฆ่ากลัวเดินข้ามถนนแล้วเดี๋ยวรถจะชนนะกลัวสารภาพปรากฏว่าไปตายเพราะจะแตมหรือตายเพราะไม่จิมฟันอะไรเงี้ยที่พวกเราคุยคุยกันเล่นๆ เ, เราโลภยชนจึงกลัวนักกลัวหนา กลัวจนกลัวลำบากกลัวไม่ได้แต่งงานกลัวน้อยหน้ากลัวเสียเปียบกลัวเสียเหลี่ยมนั้นเราดูได้ว่ามันสารพัดจะกลัวไหนใครกลัวจนมากในที่นี้เดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคนแหมลัคกี้นัมเบอร์ไหนใครกลัวจนยกมือสิอย่ากโกหกกันนะ นะไม่ยกมือแสดงว่าอะไรกลัวจนใช่ไหมหรือว่าไม่กลัวจนอ๋อแสดงว่าไม่กลัวจนโอแสดงว่าพวกนี้มาอยู่วัดได้หมดแล้วนะรวยแล้วเลยไม่กลัวจนเหรออ๋อรวยแล้วเลยไม่กลัวจนจริงเหรอว่าคนรวยแล้วไม่กลัวจนอันตราถามหน่อยจริงหรือเปล่าว่าคนรวยแล้วไม่กลัวจน ฮะไหนใครจะยืนยันยาเป็นนี่แหละเอาภาษาธรรมดาเนี่ยอย่าเพิ่งลึกซึ้งอะไรมากนะถามหน่อยว่าคนรวยแล้วเนี่ยไม่กลัวจนจริงหรือเปล่าฮะทั่วทั่วไปนี่ไม่จริงแล้วไอ้ที่ไม่ทั่วไปนี่เป็นยังไงอ๋อเฉพาะคนบางคนรวยแล้วเหลอไม่กลัวจนเลย คำว่าคำว่าไม่กลัวจนนี่หมายความว่างไงที่ที่บอกว่ารวยแล้วถ้าบอกว่าอ่าสเปเชียรเนี่ยคือคือคนพิเศษที่เรียกว่ารวยแล้วไม่กลัวจนเนี่ยทําไมมีเงินเยอะแล้วเลยไม่กลัวจนจริงเหรอถ้าไม่กลัวจนก็ไม่ต้องทํางานไม่ต้องหาเงินมาอีกสิฮะไม่ต้องทํางานนะไม่ต้องหาเงินมาอีก โอโหมีเงินชนะเอ่อมีเงินชนิดที่เรียกว่าหลายชั่วคนก็ใช้ไม่หมดเลยจริงเหรอฮะต่อให้ร้อยล้านพันล้านเนี่ยต่อให้ร้อยล้านพันล้านเนี่ยใช้ชั่วลูกชั่วหลานไม่หมดจริงหรือเปล่าฮะต่อให้มีร้อยล้านเดียต่อให้มีพันล้านเดียเชื่อแมมว่าหมดภายในหนึ่งนาทีก็ยังได้เลยน <c oughs> ะ จนภายในหนึ่งนาทีก็ได้เลยต่อให้มีร้อยล้านหันล้านเนี่ยยิ่งเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหง่ายมากเลยไอ้อแต่ก่อนยังยากนะตนกกแต่เดี๋ยวนี้นี่ง่ายมากคืออาตมากำลังจะบอกว่าไอ้อคาว่ากลัวจนหรือว่าไม่กลัวจนเนี่ยเราคงไม่ไม่ได้พิจารณากันตรงที่ว่ามีเงินมากหรือเงินน้อยเข้าใจไหม อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ความจริงนะไม่ได้พิสูจน์กันที่ตรงนั้นอย่างเช่นบางคนนี่เป็นคนจนอยู่แล้วอะ่ะหมายถึงว่ามีเงินน้อยมากหรือไม่ต้องเอาใครเอาขอทานก็ได้นะขอทานที่เขาต้องมาขอชาวบ้านชาวช่องนาทีละห้าบาทสิบบาทอันตมาถานหน่อยว่าเขากลัวจนไหมฮะเขากลัวจนไหมก็เขาจนอยู่แล้วสิแต่เขากลัวจนไหมล่ะ น, น, นั่นนะสิไอ้คาว่าจนที่เราบอกเนี่ยหมายถึงว่าเขามีเงินน้อยใช่ไหมที่เราบอกว่าเขาจนเนี่ยใช่หรือเปล่าพ่านหมายความว่าคนที่มีเงินน้อยเนี่ยไม่กลัวจนอีกแล้วใช่ไห ม, ไ ม, ไมเดี๋ยสิก็คนที่มีเงินน้อยเนี่ยเอาสมมติว่าขอทานเนี่ยเอาวันนี้เนี่ยเขามีเงินอยู่แค่แค่สิบบาทเท่านันอนอ้นในชีวิตเขาไม่มีมากกว่านี้อีกแล้ว แล้วมั่งก็ถามหน่อยว่าคนที่มีชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยนะเขามีอยู่แค่สิบบาทเท่านั้นในปัจจุบันนี้ถามหน่อยว่าเขากลัวจนไหมกลัวจนตรงไหนอ่ะก็ก็ตะ ก, กี้บอกว่าก็เขามีเงินน้อยอยู่แล้ว เ, เขาก็ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะเาจนอยู่แล้วเข <laughs> ายังกลัวว่าไอ้สิบบาทนี่มันยังจะไม่มีหรือว่าจะหมดไปอีกใช่ไหมไอ่า เพราะฉะนั้นอาตมากำลังจะให้แง่คิดให้แง่สังเกตว่าใ้ความกลัวจนมันไม่ได้อยู่ที่เงินมากหรือว่าอยู่ที่เงินน้อยแต่มันอยู่ที่ความกลัวของจิตใจที่ที่จะไม่มีไม่มีข้าวของนั้นหรือว่าไม่มีเงินทองนั้นเข้าใจไหมหรือว่าไม่มีสิ่งที่จะมาบำารุงบำเลอจิตใจให้ตัวเองเนี่ยได้เสพสุข เพราะนั to ้นเขาถึงบอกว่าแม้คนรวยร้อยล้านพันล้านก็ยังกลัวจนเพราะว่าอะไรเขายังปรารถนาที่จะให้ได้เงินเข้ามาอีกหรือแม้ไม่ได้เงินก็ยังปรารถนาได้เข้าของได้อะไรต่างๆเข้ามาเพราะบางคนบอกว่ารวยร้อยล้านพันล้านเขาบอกว่าเขาหยุดเขาไม่ทํางานนะไม่ต้องหาเงินเข้ามาก็ได้เพราะเขามีเงินเยอะๆใช่ไหมแต่ที่เขาอยู่ทุกวันนั้นน่ะเขาก็ต้องเอาเงินที่เขามีอยู่ไปซื้อเข้าของซื้อแรงต่างเพื่อที่จะเข้ามา ที่จะมาเสพหรือว่ามาบรุหงมาเลยตัวเขาใช่ไหมอ่าเพราะะนั่นแหละไอ้สภาพนั่นแหละเขาก็กลัวจนอยู่ดีเพราะถ้าถ้าจนจริงๆมันก็ต้องไม่มีไอ้วัตถุไม่มีเข้าของไม่มีอะไรมาเสพสิถ้าจนจริงจริงอ่ะใช่ไหมแต่นี่เขาก็ยังเอาเงินที่เขามีอยู่เนี่ยยังมาบับหงมาเลยเพราะเขาก็ยังกลัวจนอยู่นั่นแหละเพราะคนที่ไม่กลัวจนก็คือคนที่ รู้จักพอนะในสิ่งที่ตัวเองจำเป็นต้องใช้ในชีวิตจริงๆได้นั่นแหละคือคนที่จะไม่กัดจนอย่างเช่นถ้าเรามีความจำเป็นในชีวิตต้องใช้ปัจจัยสี่เท่าที่มันน้อยที่สุดนะที่เราจำเป็นต้องใช้ได้แล้วคนนั้นก็ปรารถนายินดีหรือว่าพอใจเพียงน้อยๆแค่นี้แหละซึ่งเราเรียกว่ามักน้อย เพราะล้คนนั้นก็แค่เนี้ยมีความสุขได้แล้วไม่ต้องการมากกว่านี้อีกไม่ต้องการเข้าของสิ่งของอื่นที่มันจะเฟ้ออะไรมากกว่านี้อีกคนนั้นแหละคือคนที่ไม่กลัวจนจะมีเงินหรือไม่มีเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ละแต่คนเนี้ยพอใจแค่แค่แค่น้อยที่สุดในชีวิตของเขาในสิ่งที่จําเป็นแค่นี้คนนั้นน่ะถือว่าไม่กลัวจนวันนี้นี่จะเอาให้มันลึกๆนะ แต่นี่นี่ถ้าเอาทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่กลัวจนกลัวลําบากกลัวไม่ได้แต่งงานกลัวน้อยหน้ากลัวเสียเปรียบกลัวเสียเหลี่ยมอะมาขอพูดอันสุดท้ายหน่อยกลัวเสียเหลี่ยมแมกับอีกแค่กลัวเสียเหลี่ยมนี่ยังกลัวเลยนะบางคนเป็นยังไงกลัวเสียเหลี่ยมฮะอย่างเช่นบางทีเราทําเป็นเก่งอย่างเงี้ยนัเราทำเป็นเก่ง วางฟอร์มไวซะดีเช่ะชั้นผัดชั้นเนี่ยผัดเปรี้ยวหวานเก่งที่สุดนะวางฟอร์มไว้ะดีเช่ปนะนะรากฏว่าผัดผัดเกิดอะไรอ่ะหยิบไอ้ใส่เข้าไปพลาดหรือว่าอะไรเงี้ยนั่นะมันไม่อร่อยเหมือนที่เหมือนที่จะคุยเอาไว้อ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องอะไรอ่ะปิดบางมั่งเอ่อต้องอำพางมั่ง ต้องหาว่าไอ้ที่ไม่อร่อยเพราะตะหลิวไม่ดีไม่ใช่ตะหลิวยี่ห้อจระเข้ฟ้าดถาังก็เลยผัดแล้วไม่อร่อยเ อ, อว่าเพราะกลัวเสียเหลี่ยมอันนี้บรรดาความกลัวต่างๆความกลัวจึงเป็นส่วนเกินของชีวิตที่แท้จริงเพราะความกลัวไม่สามารถช่วยแก้ไขอะไรได้กลับจะซ้ําให้หนักขึ้นไปสิอีก พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่ยังมีความกลัวอยู่ก็เนื่องจากเอาละนะดูนะเนื่องจากอะไรยังติดอยู่ในกรรมมรรคบงเล็บความหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสบงเล็บปิดเห็นหมอย่างที่ตะเกียรมาพูดเห็นไหถ้าตาบดายใครยังเสฟอยูนะ่ยังต้องการไอ้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรต่างๆที่มันเฟอร์มันเกิน จริงๆใครยิ่งเฟอมากเท่าไหร่คนนั้นก็ให้เห็นว่ายิ่งจนมากเท่าไหร่ยิ่งต้องการมากเท่านั้นนั่นยิ่งเป็นคนจนที่สุดในโลกเลยเพราะคนที่ยิ่งพอลงไปพอลงไปมากน้อยลงไปได้มากที่สุดเท่าไรคนนั้นยิ่งหมายถึงว่าคนที่รวยมากที่สุดเท่านั้นอจากคําตรัสนี้แสดงว่าผู้ลดละกามคุณให้น้อยลงได้มากเท่าใดเท่าใด ความกลัวมันก็ลดลงเท่านั้นเท่านั้นเพราะกามคือผลแห่งการหลงอัตตาของชีวิตเป็นเครื่องเล่นที่มีสเสน่ห์ที่สุดของโลกียชนจึงเป็นความสุขทุกครั้งที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับรูดรสกลิ่นเสียงและสัมผัสทั้งหลายผู้ที่ยังติดสุขหลงระเริงในสุข น, นย่อมเป็นผู้วาดสะดุง้งกลัวภัยได้ง่ายได ด้วยกลัวการพลัดพรากจากสิ่งที่รักหรือประสบในสิ่งที่ไม่รักผู้ที่ยังมีมีตัวตนใหญ่อยู่นะบงเล็บสักกยะย่อมลหลงไหลอยู่ในท้องทะเลแห่งความสุขอย่างเมามันเมื่อสัตบุุษใดปฏิเสธความสุขอันเกิดแต่รูปพรตูต่างๆเสียแล้วเขาจะประวันพรั่นพึงในสิ่งใดกันเล่านะอันนี้กาลังจะ สรุปให้ฟังว่ า, วามันคนที่นะเลิกหลงไหลจริงๆมันไม่มันไม่ใช่แค่เพียงวัตถุเท่านั้นถ้าทางวัตถุเนี่ยมันเป็นแค่การมาตัญหานะวัตถุภายนอกเนี่ยจะเป็นความหลงต้องการปรารถนาบุคคลก็ตามวัตถุเข้าของทรัพย์สินสลิงคาอะไรต่างๆก็ตามนะอันนี้มันเป็นประเภทการมาตัญหาอันนี้ก็หลงแล้ว น่าเป็นความกลัวแล้วที่กลัวจะจะไม่ได้สิ่งเหล่านี้หรือว่ากลัวไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็คืออย่างเช่เชนพวกคนจนกลัวที่จะไม่ได้สิ่งเหล่านี้เพราะพวกคนจนจะกลัวต้องการสิ่งเหล่านี้มากแต่ถ้าพวกคนรวยก็กลัวที่จะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้กลัวที่จะต้องพัดพลาดจากสิ่งเหล่านี้นี่เป็นความกลัวของคนรวยเพราะคนจนที่ยังมีความปรารถนาอยากได้อย่างนั้นมาถ้าไม่ได้สมใจแล้วมันไม่สุข เพราฉะันตราบใดที่คนจนยังไม่มีสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเป็นวัตถุต่างๆเข้ามานี่คนจนนั้นก็กลัวอยู่เรื่อยกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ได้ไได <c oughs> นาในขณะเดียวกันคนรวยก็เหมือนกันใช่ไหมคนรวยก็มีความกลัวอยู่อย่างนั้นแหละนะกลัวที่จะไอ้ทรัพสมบัติไอ้ข้าวของอะไรที่ตัวเองมีมีอยู่เนี่ยกลัวว่าจะต้องสูญเสียไปกลัวว่าจะต้องพรัดพรากไปเพราะฉะนั้นพวกคนรวยนี่ก็ กลัวเหมือนกันเพราะไม่ว่ากนรวยไม่ว่าคนจนกลัวเหมือนกันเลยนะส่วนคนที่จะไม่กลัวมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือคนที่อะไรอะไม่ใช่แค่รู้จักพออย่างนี้เดี๋ยวร้อยล้านก็พ อ, อ, อ, อพอยังไงตะกี้ที่พูดไปครั้งแล้ว นะคนที่จะไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยคือมีความพอในในสิ่งที่เราเนี่ยอะไรอะ่ะจเป็นต้องใช้ในชีวิตที่มันให้มันน้อยที่สุดนะคนนั้นแหละที่จะไม่ต้องกลัวเลยจะไม่ไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวไอ้สิ่งที่เรามีเนี่ยจะต้องสูญเสียไปยิ่งกว่านี้หรือไม่ต้องกลัวว่า ไอสิ่งที่มีอยู่ไอสิ่งที่ยังไม่ได้มาเนี่ยจะไม่ได้มานะถ้าใครฝึกแล้วเนี่ยจะรู้เองเพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งไปสังเกตดูนะคนที่มีศีลห้าถึงยังมีวัตถุอยู่มากคนที่มีศีลแปดชักจะน้อยลง<ม>อ่าเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่คนที่มีศีลห้าอยู่แล้วเนี่ยไม่เพียงแต่บางทีมีทั้งครอบครัวนะพ่อแม่ลูกมีทั้งทรัพย์สินคารเนี่ยเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากมาย เห็นไหมแต่พอขึ้นไปศีลแปดปะั๊บชักน้อยลงแล้วเรื่องครอบครัวชักตัดลงไปอีกส่วนหนึ่งแล้วใช่มไหมอ า, <c oughs> อาจจะเหลือแค่ครอบครัวตัวเองไม่ต้องมีครอบครัวของของสามีหรือว่าภรรยาเข้ามาเกี่ยวแล้วเห็นไหมแม้แต่เพียงด้านครอบครัวก็น้อยลงไปอีกยิ่งถ้าใครเป็นโสดก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะยิ่งวัตถุข้าวของอะไรต่างๆนะยิ่งโอ้โห ก็อยู่คนเดียวก็ยิ่งวัตถุข้าวของก็น้อยลงไปอีกได้จนกระทั่งเพอขึ้นไปสีสนนส่สิบนะสี่สิก็ยิ่งน้อยลงไปอีกคราวนี้บ้านช่องที่จะต้องมีเองไม่ต้องมีก็ได้นางก็แบกบาตแบกกดจะไปค่าที่ไหนพักที่ไหนนางก็พักได้เห็นไหมมันเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆ พอยิ่งขึ้นไปศีลพระก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะขึ้นศีลสิบนี่งเงินทองก็ไม่ใช้ละเห็นไหมเสื้อผ้าเริ่มจํากัดขึ้นมา <c oughs> ยิ่งพอเป็นพระยิ่งจํากัดบริขารเลยนะเหลือบริขารกี่อย่างถ้าเอาเอาเอาตามตาราตอนนี้ตามตำลา่าตามตำราแปดอย่างบริขารแปดนะอัฐะบริขารผมจะให้เห็นเลยว่า ถ้ายิ่งมีสมีศีลสูงขึ้นแล้วยิ่งปฏิบัติตนแล้วเนี่ยความข้าวของต่างๆที่จะจำเป็นในชีวิตเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยน้อยลงไปเรื่อยแล้วยิ่งน้อยก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความกลัวที่จะเสียดายข้าวของที่จะต้องสูญเสียหรือว่าจะต้องไปหามานะทั้งสองมุมนี่มันมันหมดลงไปเรื่อยๆหมดลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคนที่ทำใจอย่างนี้ไม่ได้ก็จะมีศีลสูงขึ้นไปไม่ได้คนที่มีศีลสูงขึ้นไปได้เนี่ย จะต้องทำใจอย่างนี้ได้คนนั้นถึงจะลดละข้าวของต่างๆอันนี้ข้าวของวัตถุต่างๆเนี่ยเราเรียกว่ากามาตัญหาแต่ไม่ใช่แม้กามาตัญหาแม้แต่ภะวะตัญหาคราวนี้สูงขึ้นไปอีกอผู้ที่ยิ่งถึงถึงฐานขั้นนักบวชนะหรือจริงๆแม้แต่คารวะก็ตามแหละถ้าเป็นภาวะตัญหาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับวัตถุข้างนอกแล้ว แต่มันเป็นเรื่องที่เสพทางจิตนะยังอยากมีนั่นยังต้องการความสุขอย่างนั้นอย่างนี้นะยังมีความโรภมีความยินดีพอใจเพราะแม้ใครยังเสพอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พวกฤาษีก็ตามเสพอยากจะอยู่ปาอยากจะอยู่ปลาอยากจะอยู่ปลาฤาษีนี่ฤาษีนี่ใช้น้อยไหมวัตถุข้าวของต่างๆน้อยใช่ไหมออ แต่ฤาษีนี่ยังกลัวไหมกลัวกลัวอะไรฤาษีฤาษีอยู่ป่านี่กลัวอะไรบวัวเสือโอ้โหอันก็จริงด้วยนะ <laughs> ส่วนนึงก็กลัวเสือลราเอาถูกแต่กลัวยิ่งกว่าเสื อ, เ, อ <laughs> เสื อ, สอกลัวอะไรกลัวอดหรือไม่โอ้โหป่าทั้งป่ามีอะไรให้กินเยอะแยะ ไม่กลัวอดล็อกหรือสีอดเก่งด้วยหรือสีอดเก่งด้วยกลัวไม่ได้ชาญนะหรืสีเขาก็พยายามบำเพ็ญให้ได้ชาญอยู่แล้วจริงๆรแล้วหรือสีพวกที่อยู่ป่านเนี่ยกลัวคนมากที่สุดไม่ใช่กลัวเสือหรอกเพราะเสือมันมีไม่กี่ตัวหรอกส่วนให ญ, ญ่แต่กลัวคนรบกวนยิ่งคนเยอะๆไปยุ่มย่ามาโอ้หรือสีหนีแทบไม่ทันเลย พวกลือศีน่ะมันก็ยังมีความกลัวเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยเนี่ยคือความแตกต่างเมันลือศีเนี่ยมีความปราเถนานที่จะเสพที่มันเงียบๆเสพที่มันไม่ต้องมีผู้คนมันรู้ไว้นะใครใครมีจริตนิสัยอย่างนี้แล้วท่านจะรู้ว่าท่านยังเป็นดุจลือศีอยู่ป่าที่กลัวเหลือเกินบางทีมีเสียงเขาอะไรอ่ะได้ยินเสียงเ ดนตรีบังเสียงเพลงมัง่งเสียงอะไรมังโอ้ยลำคาญจงวัดเราเดี๋ยวนี้ทำไมมันเปิดจังเลยชักหงุดหงิดนะเผลอๆไปบิดลำโพงตัดสายทิ้งสนีท <c oughs> นะบางคนเยอะมากๆก็พ ว, วกพ ว, วกฤาษีหงุดหงิดแม่อย่างนี้ก็ยังมีจิตกลัว อ, อยู่ไหมฮอนไม่ใช่นะมันยังไม่ใช่ของพุทธนะฮนถ้า ถ้าเป็นฌานของพุทธเนี่ยพูะเจ้าถึงตัดว่าฌานอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั้นนะจะต้องคู่กันสองอย่างนี้เพราะถ้าเป็นฌานของพุทธแล้วไม่กลัวหรอกแม้เสียงเออาวยวายจะอะไรมายังไงอยู่ได้เพราะอย่างนี้แหละถ้าถ้ามาถึงของพุทธแล้วนี่ไม่กลัวถ้าปฏิบัติเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะไม่กลัวถึงจะอยู่ท่ามกลางฝูงคนอยู่ในเมืองก็ไม่กลัว จิตก็ยังสงบอยูอ่ถึงจะไปให้อยู่ป่าเปลี่ยวนะก็ไม่กลัวอีกไม่ใช่พอเข้าป่าก็เอาละเริ่มไอ้นูไอ้นี่โผล่ขึ้นมาโผล่ในจิตเรานะไม่ได้โผล่ไอ้อะไรเสือช้างลิงอะไร <c oughs> ไอ้อย่างนั้นก็หาทางเราพาทางเลี่ยงเอา อ, อันนี้ให้ให้เราเข้าใจนะเรื่องของ ความกลัวเนี่ยเขาพูดความกลัวข้อที่1อันนี้ข้อที่สองนะความกระสับกระส่ายกังวลกวายใจเมื่อยังมีความปรารถนาอยู่ในหัวใจมันก็ย่อมกลัวความผิดหวังเป็นธรรมดาและตราบใดที่เรายังไม่ยอมรับความไม่เที่ยงแท้ว่าเป็นความแท้จริงของชีวิตเอจริงหรือเปล่าเนี่ยความไม่เที่ยงแท้เป็นความแท้จริงของชีวิตจริงหรือเปล่า